ไม่ภายแพ้ต่อกิเลสง่ายๆหรือว่าการรู้จักคอยนะมันมีความอยากอย่างไรนะก็ไม่ยอมที่จ ะ, อะคอยตามมันง่ายๆความรู้จักคอยนี่ก็ต้องอาศัยความอดทนเหมือนกั น, นคือขันติขันติเกิดขึ้นได้จากการที่เราฝึกทาในสิ่งที่แม้จะไม่ชอบนะ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 ขาดตรงนี้มากนะเด็กกำลังทำกันบ้านเสร็จ แ, แล้วพอได้เสียงเพื่อนเรียกไปเที่ยวไปเล่นหรือว่าโทรศัพท์มาก็ลืมไปเลยนะพ่ายแพ้ต่อความอยากมันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวที่ก็เป็นความความความโกรธก็ได้จะทำสมาธิแต่ว่า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 ครั้งสุดท้ายแล้วแต่แล้วก็ไม่เคยมีครั้งสุดท้ายสักทีเพราะว่ากิเลสมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะเวลาปล่อยให้กิเลสครอบงำแล้วมันก็สามารถจะสรรถาเหตุผลปรุงแต่งเหตุผลเพื่อมาเป็นข้ออ้างให้เราเลิกในสิ่งที่ควรทําหรือกลับกระโจนเข้าไปหาในสิ่งที่ไม่ควรทำํำแั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนอกจากจะถูกอารมณ์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 ในลานจอดรถเน่สองสามชั่วโมงลูกก็อายุแค่ขวบ2ขวบบอกกว่าลูกตายนะลูกตายเพอจึงรถไวอา่พาพอจึงลูกไว้ในรถโดนแดดเผาจนตายอันนี้เลยว่าเป็นเพราะลืมตัวนะตอนที่ขับรถใจมก็คิดแต่เรื่องการจัดปราร์ตี้ว่าจะซื้อของอะไรบ้างจะทำเมนูอาหารอะไรบ้างพอถึงศูนย์การค้าก็ ไม่สนใจอยงอื่นนะมุ่งหน้าไปที่ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวอันนี้เราจมอยู่ในความคิดนะพอจมอยู่ในความคิดแล้วมันก็ลืมตัวได้นะแล้วพอลืมตัวแล้วก็อาจจะลืมลูกซึ่งเป็นอ่สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดนะั้นในชีวิตของตัวแบบนี้เจอมาเยอะแล้วนะพอลืมตัวแล้วก็ลืมลูกทิ้งไว้บางทีลืมลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็ ถูกทิ้งไว้ในรถตู้บ้านเรานี่ก็มีเยอะเด็กถูกทิ้งไว้ในรถแล้วรถก็ตากแดดด้วยจน แ, แล้วก็มานึกได้อีกทีก็เด็กก็ตายแล้วนั้นลืงตัวเนี่ยมันน่ากลัวมากมันสามารถเชี่ยวกรอบปัญหาหรือว่าความเสียหายยังไม่มีประมาณได้ดี่ขนาดแค่ลืมตัวโดยคนคนเดียวนะถ้าลืมกับเป็นกลุ่มนี่หนักเข้าไปใหญ่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 ก็คือว่าทำอะไรใจก็อยู่กับสินนั้ น, นะะเราสังเกตไหมเวลาเราล้างใจเวลาเรากินข้าวเนี่ยใจเราอยู่ไหนปากเรากินปากเราเคี้ยวแต่ใจนะไปเสพอารมณ์อื่นบางคนปากเคี้ยวแต่ใจนี่นะไปอยู่ที่บ้า น, ในใกลายเป็นว่าเป็นการเสพความคิดมากกว่าเสพอาหารเวลาอาบน้ําเวลาล้างหน้าใจเราไปอยู่ไห น, ใ น, ใ น, ใ น, ใน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 แล้วก็รู้ว่าเผอไปแล้ว seguinte, อ้อาวกลับมาเลยกลับมาอยู่กันเดกกระตว dai, ให้การยกมือให้รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่ายกมือหรือว่าเดินแล้วก็รู้สึกว่ากำลังเดินนี่มันสามารถจะเป็นตัวเตือนจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กันเดกกระตวได้พอจิตก็มาอยู่กันเด็กระตูก็เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาอันนี้เรียกว่า <simplement>, สัมปชัญญะความระลึกได้กับความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันถึงคู่กัน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 หลายคนก็จะไม่ชอบนะเพราะว่ามันก็จะเผลอจะพลังอยู่เรื่อยๆฟุ้งอยู่เรื่อยนะเจริญสติยกมือไปสักพักเดี๋ยวฟุ้งปเปอีกแล้วเพราะไม่มีการเพ่งไม่มีการบริกรรมแต่ว่าคนที่เดินท้องเดินข้ามท้องรองอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะรู้ดีนะว่าพอเดินไปเดินไปบ่อยๆเนี่ยไม่มีลาวก็ไม่เป็นไรเลยเขาก็จะรู้จักส่งตัวให้สามารถจะเดินนะบน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 แต่คนขี่จักรยานก็รู้ดีพอขี่ไปเบ่อๆขี่ไปเบ่อๆมันก็จะรู้ว่าจะส่งตัวยอย่างไรให้พอดีพอดีให้สมดุลพอส่งตัวให้พอดีพอสมดุลได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ล้มง่ายๆนะบางทีไม่ต้องเกาะแฮนด์ก็ยังสามารถที่จะขับไปได้แต่ใหม่ๆนี่เกาะแฮนด์เกาะเกาะแฮนด์ี่แน่นเลยนะตัวเกรงไปหมดพอเกรงก็ล้มแต่ถ้าตัวย้วยก็ล้ม